นต้านรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งมโมฟังประมาณ1ิบ น, นาทีเราจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อธรรมะแต่วันนี้จะอธิบายเรื่องของ มัวธรรมที่จะให้เกิดการตรัสรู้ธรรมซึ่งหมวดธรรมที่จะให้เกิดการตรัสรู้ธรรมนั้นอยู่ในกายของเรานี้นั่นเมีความกว้างประมาณหนึ่งซอกมีความหนาประมาณหนึ่งคืบมีความยาวประมาณหนึ่งวาทั้งหมดอยู่ในกายของเรานี้ตัวนี้เราจะเจริญกายะคตาสติคือการตั้งสติ เอาไว้ในกายอย่าให้จิตของเรานั้นออกนอกกรอบขอบของผิวหนังไปในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างไปเรื่องคนนู้นบ้างเรื่องงานบ้างแต่ให้จิตของเราอยู่ในกายตรงไหนคือกายก็ตรงที่อยู่ใต้ผิวหนังลงมาทั้งหมดนี่แหละจะเอาที่ติดอยู่กับที่ผิวหนังด้วย จากปลายผมลงมาถึงปืนา้าวเราเริ่มเอาจากธาตุลมก่อนรนี้สะก่อนเอาที่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกมันคือลมลมที่อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าธาตุลมมีธาตุลมอยู่ในกายนอกจากธาตุลมแล้วมันอยู่คนเดียวตัวเดียวไม่ได้ ลมนั้นจะประกอบขึ้นเป็นกายได้ก็ต้องมีไฟด้วยมีน้ำด้วยมีดินด้วยเพราะว่าดินประสมกับลมก็จะมีการสันดาบกันเกิดเป็นไฟคือความร้อนน้ำต้องเป็นตัวควบคุมปฏิกิริยาความร้อนนี้ให้สม่าเสมอดินน้ำไฟลม อยู่ในกายของเราแ้วมันมาจากไหนข้างนอกนั่นแหละเข้าสู่ในกายเ้าที่ใช้ประโยชน์หมดแล้วก็จากในกายนั่นแหละออกไปสู่ข้างนอกเข้ามาในกายก็ผ่านทางน้ำที่ดื่มอาหารที่กินอากาศที่หายใจอยู่ที่หน้าเราทั้งหมดเลยนะอาหารน้ำก็เข้าทางปากอากาศก็เข้าทางจมูก เข้าแล้วมันต้องออกออกมาก็ออกทางทวนหนะักและถวนเบาแล้วก็ลมหายใจออกออกไปเพราะฉึงพูดถึงว่ามีทั้งอาหารเก่ามีทั้งอาหารใหม่ที่อยู่ในร่างกายของเราเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนสิ่งที่มีปากทางเข้าปากทางออกอยู่สองด้านแต่เปรียบไว้เหมือนกับสิ่งที่เรียาไถ ถุงที่มีลักษณะพิเศษคือจะมีปากสองด้านทั้งด้านบนด้วยด้านล่างด้วยซึ่งปกติมักจะทำจากหนังเรียกว่าถ้ยหรือถุงหนังที่มีปากเปิดได้สองด้านจะเาเข้าข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้หรือถ้าเอียงเอียงก็เป็นซ้ายหรือขวาชาวนาะชาวบ้าน ที่เขาใช้ไทยก็มักจะไว้สำหรับการเดินทางสภายพาดไหลขึ้นของอยู่ด้านหลังจะหยิบจากตรงไหนข้างบนหรือข้างล่างก็ได้สะดวกดีเอาสิ่งนี้มาเปรียบกับกายของเราที่มีช่องทางเข้าออกของอาหารอากาศของอุจจาระปัสสาวะแล้วก็มีระยางยื่นออกไป สี่ทางห้าทางเป็นแขนสองขา 2, สองศีรษะหนึ่งเป็นระย่างระย่างหมายถึงสิ่งที่ยื่นออกไปเช่นว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินนี่นะก็จะมีงวงช้างยื่นออกไปเพื่อให้เราเข้าเครื่องบินใช่ไหมอันนั้นเรียกว่าระย่างก็ได้ภาษาสนามบินเป็นภาษาอังกฤษในเขาเขาจะเรียกว่าพร้นคุณภาษาไทยเราก็คือระย่าง ร่างกายเรามีระยางที่ยืนออกไปแขนขานี่แหละจากร่างกายก็ดูอย่างคนที่ก็ไม่มีแขนไม่มีขาหรือบางส่วนถูกตัดออกไปเ้าก็ยังอยู่ได้หนประวัติที่สาคัญสำคัญหนะึ่งคือตัวร่างกายที่เป็นเหมือนถุงหนังแล้วก็ศีรษะและมีสิ่งที่ยืนออกมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ที่ปลายมือปลายเท้าคุณยังต้องมีนิ้วยื่นออกไปอีกปลายนิ้วใจมันรักษาไว้เพราะมามันบอบางก็ใส่เล็บเข้าไปมีเล็บอยู่ที่ปลายนิ้วทั้งมือและเท้าเป็นระ ย, ย่างที่ยื่นออกไปร่างกายของเรานั้นจากศีรษะลงมาถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นไปถึงศีรษะ นอกจากลักษณะที่เห็นว่ามีหนังหุ้มอยู่มีขนแซมอยู่ยิ้มขึ้นมาก็เห็นฟันด้วยบนศีรษะก็มีผมมีระยางประกอบด้วยแขนขานิ้วแล้วก็เล็บทะลุเข้าไปข้างในและหลอกหนังออกไอจีของเราอยู่ในกายนี้นะ ใน่นอนบางทีมันมีความคิดนึกเรื่องอื่นแทรกผ่าน ม, มาเราให้จิตของเราอยู่กับความคิดเรื่องในกายไม่ตามความคิดเรื่องอื่นๆไปให้จิตของเราอยู่ในกายนี้จิตอยู่ในกายแล้วลอกนั่งออกเราก็จะเห็นเนื้อเนื้อนี่ก็เป็นเนื้อแดงๆร่างกายของเราเป็นเนื้อที่แดงนั้นเพราะว่ามันมีเลือดแทรกซึมอยู่ เลือดที่แสกซึมอยู่มันเป็นสีแดงเพราะว่าธาตุเหล็กถ้าเปรียบกับเช่นปูปูเนี่ยสารที่จะนาออกซิเจนไปเลี้ยงในร่างกายก็มันมันก็เป็นทองแดงจะมีลักษณะที่เป็นสีน้ําเงินเลือดปูนี่ก็คือเป็นสีน้ําเงินหรือแมงด า, างี้ก็เลือดสีน้ําเงินเพราะสารมันคนละอย่างมนุษย์เราเป็นสีแดงเพราะมีธาตุเหล็ก เนื้อก็เป็นสีแดงๆเนื้อที่เป็นสีแดงๆนั้นมันก็จะยึดโยงอยู่กับกระดูต้องมีเอ็นเป็นตัวยึดเพราะว่าความยืดหยุ่นมันอยู่ที่กล้ามเนื้อแต่ความเหนียวความแข็งแรงมันต้องอยู่ที่เอ็นก็จะมีลักษณะที่มีเนื้อและเอ็นยึดโยงกันอยู่ถ้าเราเอาเนื้อออกก็จะเห็นเป็นกระดู ซึ่งกระดูในร่างกายเรามันก็เป็นลักษณะที่มีความแข็งเป็นโครงได้แข็งนี่มันก็ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวด้วยเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันต่อกันได้นี่ก็เพราะว่าเส้นเอ็นมันยึดโยงเอาไว้ร่างกายเรามีลักษณะที่แข็งอยู่ภายในเป็นกระดูเปรียบเทียบกับเช่นปูกั้งหรือกุ้งนี่มันจะแข็งอยู่ภายนอกเป็น กระดองแต่ข้างในมันนิ่มร่างกายมนุษย์มีลักษณะที่เป็นกระดูกแข็งอยู่ภายในยึดโยงกันเอาไว้ด้วยเส้นเอ็นเอาเนื้อชาบทาไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็หนังหุ้มกัาไปอีกชั้นหนึ่งข้างนอกนิ่มข้างในแข็งมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามเงื่อนไขปัจจัย จากสีสะถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าขึ้นมาถึงสีษะกระดูกอยู่ข้างในเป็นโครงมีเนื้อเลือดฉาบตาไว้มีอวัยวะภายในช่วยขับตันเป็นระบบเลือดก็มีหัวใจมีเส้นเลือดเป็นระบบอาหารก็มีกระเพาะมีตับมีลำไส้เป็นระบบทางเดินหายใจ ก็มีปอดมีระบบต่ำไรท่อมีระบบน้ำเหลืองหลายๆอย่างให้ร่างกายเราขับดันไปได้ให้ใจของอยู่ในกายนี้ตั้งวังอยู่ในกายนี้เป็นอย่างนี้พิจารณาดูเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาเห็นว่ากายนี้ไม่ได้เป็นของสวยงามไม่ได้เป็นของที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนได้ เพราะมันเป็นตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมันนี่เป็นปัญญานะปัญญาก็ได้ครูนตามความเป็นจริงในกายของเรานี้ให้เราทําจิตกร็ร้อยมีความสงบให้เราทําจิตก็ร้อยให้เกิดปัญญารู้เห็นรู้แจง้งรักษาความรู้รักษาปัญญาของเราไว้ให้ดีเอาละ ตามบูฟังหลังจากที่เราได้ปฏิบัติทำจิตให้มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มพธิบททุกวันพุธ ท, ที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาธรรมะเป็นเหมือนกับการไปจับหมูพิษตัมบูฟังแน่นอนว่า ถ้าเราได้พิษงูมาแล้วมันก็จะทำประโยชน์ได้บางอย่างแต่อันตรายมันก็มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั้นถ้าไม่ระวังถึงตายได้เหมือนกันนะอุปมานี้ประกุทชเจท่านยกขึ้นว่าการศึกษาธรรมเรื่องของปริยัตินั้นเป็นอันตรายได้ถ้าไม่รู้จักระมัดระวัง เพราะว่ามันจะทำให้เกิดความยึดถือได้นั่นเองตบฟังยึดถือในความดีนั่นแหละความยึดถือนั้นไม่ดีใี่แต่ว่าความดีมก็ดีไม่ใช่หรือใช่ความดีดีแน่นอนตบฟังแต่ว่าความยึดถือเป็นเหตุของความทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นสิ่งที่ควรละควรกำจัดเป็นสิ่งไม่ดีซึงต้องแยกกันออกให้ได้ อย่าไปเมารวมมาดีก็คือดีทั้งหมดดีแล้วมันก็จะไม่ใช่ไม่มีเสียมีหม ด, ดทุกอย่างทุกฟัง่งทั้งดีและเสียทั้งประโยชน์และโทษเพียงแต่ว่ามันมีสัดส่วนมากน้อยแตกต่างกันเช่นไฟฟ้าเช่นน้ําไฟฟ้านี่มีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าใช้ไม่ถูกทํำไม่เป็นจับไม่เหมาะดูตายนะ น้ำนี่นโอ้มีประโยชน์นะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราใช้ดื่มได้ใช้ทำการเกษตรได้แม้แต่ถ้าจัดการไม่ดีน้ำท่วมอา้าวเป็นอันตรายได้เหมือนกันนะทำลายสิ่งของได้ด้วยทุกหยานผู้ฟังอยู่ที่เราจะใช้ประโยชน์หรือระมัดระวังโทษของเขาอย่างไรอย่างไรการทำสมาธิเนี่ยก็จึงเอาการปฏิบัติมานำหน้า เปื่อยการทำความเข้าใจเรื่องหัวข้อธรรมนั้นได้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่ให้เราไปยึดถือยึดติดเป็นปริยัที่เป็นงูพิษอย่างที่ท่านเตือนไวหัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจในสัปดาห์นี้ตบะฟังคือหัวข้อที่เรียกว่าโพธิปักขีย์ธรรมโพธิปักขีย์ธรรมเป็นพทบทตบะฟัง หมายถึงธรรมะที่เป็นฝากฝ่ายแห่งการตรัสรู้ที่จะให้เกิดโพธิคือความรู้แจ้งความเห็นแจ้งคือปัญญารู้จริงซึ่งท่านเอาหัวข้ออื่นๆต่างๆมารวบรวมกันเอาไว้ได้สามสิบเจ็ดอย่างด้วยกันต้องทำความเข้าใจตรง น, นี้ก่อนตอบบฟังว่าคำว่า โหที่ปักียธรรม37ตัวเลข37เนี่ยไม่ได้เป็นพุทธพจน์แต่37อย่างนั้นคือครูบาอาจารย์รุ่นต่อๆมาหลังจากที่พระพุทธเจ้า ป, ปรินิพานไปแล้วท่านดูว่าโอ้เนี่ยมันมีทั้งหมดนี้นี้และนี้รวมกันได้37จึงยกเลข37ขึ้นมา เพื่อให้เป็นจุดสังเกตของคนรุ่นต่อๆมาเพื่อให้จำได้ดีขึ้นสะดวกต่อการที่จะท่องจำและทำความเข้าใจโดยเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องโพธิปักกิยธรรมเนี่นะท่านก็ใช้คำนี้เลยแต่ว่าโพธิปักกิยธรรมคือทำฝึกฝ่ายการตรัสรู้นั้นมีกว่าปรเสติปัฏฐาน ได้แก่การอนุปัสนาสติปทานจิตตานุปัสนาสติปทานไล่ไปไล่ไปนี่นะบอกว่าแต่ละอย่างละอย่างนี่คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมพูดภาษาของท่านก็คือโพธิปธักิยธรรมแล้วก็นอกจากสติปฐานที่มีอยู่สประการก็ยังมีสมปทานก็ได้แก่ความเพียนเผากิเลส ที่จะกำจัดกุศลธรรมที่มีอยู่ให้มันออกไปป้องกันกุศลธรรมใหม่ที่จะเข้ามาการเพิ่มพูนกุศลธรรมที่ยังไม่มีการพัฒนาทำกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วให้เจริญมากขึ้นแล้วก็ยังประกอบด้วยอิทธิบาทอิทธิบาทก็ได้แก่ฉันทะวิริยะจิตะวิมังสา เพราะฉะนั้นแท้บอว่าเราไล่ไปทั้งหมดขปชาวอยากจะยกหัวข้อขึ้นตรงนี้เลยก็จะประกอบด้วยสติปัฏฐาน4สมปัฏฐานสอิธิบาท4อิน 5, รี่หภะละหโพชฌงเจและอริยมรรคมีองค์8แต่เรานับจำนวนตัวเลขดูมีสีอยู่3ามครั้ง มีหอยู่สองครั้งมีเจดและ8ดอยู่อย่างละครั้งละครั้งรวมกันทั้งหมดก็ได้สามสดพอดีในแต่ละอย่างละอย่างหัวข้อธรรมะแต่ละอันละอันของทั้ง37อันนั้นนะ่ะท่านบอกว่าแต่ละอย่างละอย่างนั้นนะ่ะคือโพธิปักจียธรรมคือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมโพชงคำนี้ก็ แปล ว, ว่าองค์ทำใกนการตรัสรู้ทำเหมือนกันโพธิปัขกยธรรมก็เป็นองค์ทำใกนการตรัสรู้ทำเหมือนกันพละหอินรี่ห้อิทธิบาทนี่ชื่อแตกต่างกันเอาแต่ก็เป็นองค์ทำใกนการตรัสรู้ทำเหมือนกันเป็นฝากฝ่ายให้เกิดการตรัสรู้สติปัฏฐานสี่ก็ด้วยสมปติฐานสี่ก็ด้วยมักมีองค์8ก็ด้วย ก็จะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันก็คือยาคนละชื่อนะแต่ว่าก็มีผลเออให้เกิดแก่โรคเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันโดย้าทางการค้านะเช่นยาแก้ปวดนี่โอ้มีเยอะแยะมากมายเลยนะเอาถ้าเราพูดถึงพาราเซตามอลอย่างเงี้ยแบรนด์หรือยี่ห้อ ที่ผลิตยาออกมาโดยใช้สารที่จะให้เกิดผลคือระงับปวดที่ชื่อว่าปราเซตามอลนี่ก็มีเยอะเลยมีหลายแบรนด์เป็นสิบสแบรนด์นี่ถ้าดูทางด้านเกี่ยวกับการค้าขายกับแบบนี้หรือถ้าดูทางด้านการให้ผลปีจะออกมาเป็นการระงับปวดอา้าวก็มีหลายสารเลยคราวนี้ ไปแต่ตรงๆยกชื่อแบรนด์ก็ได้เนืรร้อราเซตาม อ, ง, อ, าอางหนึ่งพนิซิลินนี่ก็อีกแบบหนึ่งยังมีพริกาบาลินยังมีมาฟีนซึ่งเป็นสารคุณละชนิดชนิดกันสารแต่และชนิดนี่ก็ยังมียี่ห้ออะไรแยกออกไปเยอะแยะเลยนะสารแต่และชนิดที่ให้ผลเป็นการระงับปวด อ, อืมีหลายอย่างเนืเช่นเดียวกันว่า พรรมะที่มีคนละชื่อละชื่อที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจาแนกแจกแจงยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างนั้นเออมีผลทำให้เกิดการตรัสรู้ธรรมนี่ก็มีหลายอย่างเหล่านี้รวมกันแต่ละอย่างละอย่างที่ท่านตรัสไว้ที่นั้นบ้างที่นี่บ้าง โดยใช้หัวข้อที่เปิดด้วยคำว่าโพธิปักจยธรรมเนี่ยนับรวมดูกันได้ก็มีสามสิบจดอย่างซึ่งวันนี้ก็จะไล่ไปแต่ละอย่างละอย่างตามวังโดยก็เอามารวมกันให้หมดเลยพูดกันในทีเดียวครั้งเดียวรายละเอียดของแต่ละข้อก็อาจจะไม่ได้มากอะไรเท่าที่เวลามันจะมีให้พูดกัน พอได้แต่ในหัวข้อแต่ละอย่างละอย่างนั้นที่แยกเป็นเจหัวข้อรวมรายละเอียดแต่ละข้อละข้อได้37ประการนั้นน่นนะกัปเจ้าได้เคยอธิบายไว้ละเอียดในตอนก่อนๆแล้วตรงคราวนี้จะพูดโดย ร, มรวมๆไม่ละเอียดมากให้เห็นถึงหัวข้อว่าอ้อ มีลักษณะที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรอย่างไรเรามาทบทวนหัวข้อกันนิดนึงตูบฟังหัวข้อใหญ่คือโพธิปกักจยธรรม น, นี่คือหัวข้อใหญ่หัวข้อที่ประกอบกันขึ้นเป็นโพธิปักจียธรรมมีเจ็ดอย่างได้แก่สติปัฏฐานสมปทานอิธิบาทอินทรีภาระพ่ชงและ ริยมรรคทั้ง7หัวข้อนี้ก็มีรายละเอียดของเก่าของเก่าสติปัานก็มีรายละเอียดอยู่สประการสมมติทานก็มีรายละเอียดอยู่สประการอิทธิบาทก็มีสประการเลยที่เรียกว่าอินทรีย์ก็แยกออกได้หประการที่เรียกว่าภาระก็แยกออกได้ห้าประการ หัวข้อย่อยที่เรียกว่าโพชงก็แยกออกได้แจกแจงเป็นเจ็ดประการหัวข้อที่เรียกว่ า, วามร์กก็แยกออกแจกแจงได้เป็น8ปดประการรวมกันในข้อที่แจกแจงออกก็ได้ทั้งหมด37บประการเรามาดูตรงหัวข้อย่อยตรงนี้ก่อนที่ว่าเจ็ดประการเนี่ยทำไมมันถึงแต่และอย่างละอย่างเป็นองค์ธรรมที่ให กิดการตรวจู้อบได้อย่างไงเอาก็ได้เปรียบเทียบกับสูตรยานะตมอมาฟังาถามว่าการออกริดของมอฟีนให้ผลระงับความปวดกับการออกริดของพาราเซตามอลของปริกาบาลินที่จะระงับความปวดเนี่ยมันออกริดคนละส่วนกัน เช่นปริกาบาลินเนมันก็จะออกฤทธิ์ทางด้านเกี่ยวกับระบบประสาทพอร์โมนเตมอลนีมันก็จะมีการระงับไข่ไปในตัวด้วยมีไซส์เอฟเฟกต์มีผลการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันคนที่เป็นโรคตับบางทีก็กินตัวนี้ไม่ได้คนที่เป็นโรคไตกินตัวนี้จะดีกว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันการออกฤทธิ์ ของมันเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะการที่จะพาจิตเราไปตามทางให้สู่นิพพานนั้นมันมีหลายแงยม่มุมอันนี้ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนตัวฟังใส่ดิสคล a i เมอร์ไว้ข้างหน้าเลยเหมือนยาแต่ละอย่างนะเขาก็จะมีเอกสารกากับยาที่มันโอ้โหยืดยาวมากเลยอ่านกันไม่หวนไม่ไหว มี disclaimer ด้วยว่าถ้ารักษาไม่ได้นั้นฉันก็ไม่รับผิดชอบนะเธอนะแล้วแต่แพทย์จะจ่ายยามาแพทย์ก็เรียนตามที่บริษัทยาเขาสอนนั่นแหละเขาให้ข้อมูลยังไงก็ดูตามนั้นก็ต้องมีการรีเสิร์ชกันมีการเดเวล o อปเมนต์กันอันนี้ข้าพเจ้าออกตัวไปก่อนว่าในความรู้ปัญญาของข้าพเจ้านี้ จะมาเทียบกันกันกบของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้เลยตั้มมาฟังคือไม่ต้องเทียบเลยคือมันไม่ได้เลยนะคือมันเล็กน้อยมากนะแม้แต่ว่าเอาผู้ที่จะมีปัญญาสูงสุดในรรดาสาวกทั้งหลายคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยจะไปเทียบกับพระพุทธเจ้านี่ยโอ้โหย่งยากเลยเหมือนทะเลมันลึกมากจะไปยังลงว่าเท่าไร่เท่าไหร่นี่ไม่ถึงโอ้ย ของพระมาหาภัยบุญนี่จะเทียบกับพระสารีบุตรนี่ก็ไม่ได้แล้วเลยตะโลนไม่ต้องพูดถึงจะเทียบกับพระพุทธเจ้านะแต่ว่านี่คือข้าพระเจ้าก็พยายามทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในการที่จะให้ท่านฟังได้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างที่ว่าหัวข้อเหมือนกันนะโพธิปักเทียธรรมเหมือนกันเหมือนกันเอาแล้วทําไมท่านจะต้อง แยกออกเป็นหลายอย่างหรือในการอธิบายที่ว่าแต่ละอย่างละอย่างไม่เหมือนกันเอาทำไมมันมารวมกันเหมือนกันเป็นหัวข้อธรรมะอันเดียวกันได้แต่ครูบาอาจารย์ผู้ฉลาดท่านสังเกตดูเห็นแล้วท่านอาจจะแยกแยะแจกแจงได้หลายเงื่อนหลายปมชี้ให้เห็นได้หลายประการครูบาอาจารย์ท่านนั่นอาจจะเห็นจุดนี้ พระมาหาไพาบุญก็จะเห็นข้อนี้แต่มุฟังก็อาจจะเห็นข้อนูนเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างเออความรู้เหล่านั้นมารวบรวมกันก็ทะให้เกิดประเด็นใหม่ๆขึ้นมาได้นั่นคือการที่เรารบอกรับฟังกันดิสคัสกันสมหัวกันเนี่ยมาคุยกันเรื่องธรรมะนี่มันดีไงมุฟังในช่วงของใต้ร่มปฏิบทเนี่ยจึงเอาหัวข้อเหล่านี้ มาพูดคุยอภิปรายในแยกแยะแจกแจ้งจากมุมมองดูสิว่าอะไรเป็นยังไงตมรวจฟังมีอินพุตมีข้อมูลอะไรจะแบ่งปันติดต่อสื่อสารก็สามารถแชร์กันได้แบ่งปันกันได้เราไล่กันไปทราะข้อกันตมรวจฟังสิ่งหนึ่งที่จะค่อนข้างชัดเจนที่มันเหมือนกันเลยเราก็ต้องชี้เห็นถึงความแตกต่างกันให้ได้ด้วยเนี่ย เราเอาอิน4ีหและพละห้าผู้หนีขึ้นมาก่อนทำไม่ได้นะอะไรนะสติประธาน4ไงสมประธาน4อิทิบาสสี่อินสีหพละหโพ่อจงเมักแนีตันไล่มาแล้วด้วยนะจากน้อยไปมากาจาก4ไป 5, จาก5้าไป7จาก7ไป8ไล่เรียงมาแล้วที่ไล่เรียงมาเนี่ยคือภาษาในพระไตรปิฎกนะท่ามูฟัง ไล่กันมาตามข้อเหล่านี้เลยท่านจดบันทึกเรียบเรียงมาเป็นอย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็น่าจะเป็นอย่างนี้แ่ละแล้วครูบาอาจารย์ท่านบันทึกมาก็เป็นอย่างนี้เออมันก็มีส่วนให้เราจำได้ง่ายขึ้นเอาจุดที่จะสับสนกันได้ง่ายๆก่อนที่จะค่อนข้างเอาเวียสเลยชัดเจนเลยคืออินสีหและพลาห อินทรีห้าได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาส่วนพละหา้าได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเอ๊ะอ้าวเหมือนกันเลยหนิท่านเหมือนกันเลยเอออ้าวแล้วทำไมเขาต้องเรียกชื่อหัวข้อย่อยให้มันต่างกันด้วยอะ กรณีใส่ในมันเหมือนกันนะ่ะเออนั่นสิอินรี่ห้าปลลาห้าเออชื่อเหมือนเฮ้ชื่อไม่เหมือนกันนะเอาแต่ทำไมข้างในเป็นศรัท ธ, ธาอันนี้กับสตางค์กันเออวิริยะอันนี้กัวิริยามกันสติสมาธิปัญญาอ้าวเหมือนกันนี่เี่ยทำไมใส่ในเหมือนกันแต่ว่าหัวข้อย่อยไม่เหมือนกันอา้าวแล้วหัวข้อใหญ่โพธิปัจจยธรรมอ้าวดันเหมือนกันอีกนี่มันยังไงเอาหัวข้อใหญ่ก่อนโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะ เล่นบริไวเหมือนกับว่าแม่น้ำที่มันจะลุ่มลาดอย่างเทไปทางที่ปากแม่น้ำเหมือ น, นเช่นแม่น้ำคงคาแม่น้ำยุมนาแม่น้ำมจุรวีดีแม่น้ำซาดปูมันจะไหลจากทางทิศตะวันตกไปทางที่ตะวันออกทีดีประเทศอินเดียชมบรูรีบีปก็เป็นอย่างนี้แนวโนมพื้นที่เออมันก็จะสูงอยู่ตรงนูน้น มันก็จะ ต, ต่ำมาอยู่ตรงนี้อ๋อมันก็จะเป็นประมาณนี้ล่ะแน่นอนว่ารายละเอียดบางช่วงบางส่วนมันจะมีการย้อนสอนบ้างขึ้นเอียงเอียงบ้างเหนือบ้างใต้บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้ว่ะพื้นที่ภูมิภาคมันจะเป็นอย่างนี้หรือถ้าประเทศไทยเราก็จากเหนือลงใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำบางปะกง สามสายหลักก็จากเหนือลงใต้แต่มันบางช่วงทำไมมันจากใต้ขึ้นเหนือน่ะจากตะ ว, วันออกไปตะ ว, วันตกเหนช่วงสั้นๆเนี่ยบางทีมันมีนั่นแหละแต่ว่าแนวนนมใหญ่ๆเนี่ยมันคือเหนือลงใต้ไงหรือแม่น้ำนายหรอแม่น้ำนายที่ประเทศอียิปต์เน่นะก็นั่ น, นะนจากใต้ขึ้นเหนือน่ะเออจากใต้ขึ้นเหนือตามภูเขาอ่ะของเขากูเขามันอยู่ตรงนูน้น เอธิโอเปียเคนยาทางนู้นแล้วก็ไล่ขึ้นเหนือไปอแต่บางช่วงเนี่ยมันก็เอียงเอียงบางช่วงนี่บกกลับด้วยนะมันเป็นร่องเขาอะ่อกเขาเหมือนอย่างที่แม่น้ำโขงนี่ก็คล้ายๆกันนะมาฟังจากเหนือลงใต้เหมือนกันนะเพะแต่ทำไมบางช่วงนี่ขึ้นเหนือนะ่ะเออยิ่งช่วงที่เป็นภูเขาเนี่ยตามรอยต่อของตรงประเทศลาวเนี่ยมันจะคดเคี้ยวซับซ้อน ตามร่องภูเขาไปเลยเอา น, นั้นก็ประว่าตามภูมิภาคเมือแตกต่างกันนิดหนึ่งงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ไปตามทิศทางหนะลักการคือจากสูงลงต่ำหลักการบริเวณภูมิภาคนั้นก็จากตะวนออกไปตอวนตกจากเหนือไปใต้หรือจากใต้ไปเหนือแล้วแต่ภูมิภาคลักษณะของโพธิปักจัยธรรมคืออันเดียวกันทั้งหมด ในธรรมะเจ็ดหัวข้อย่อยนั้นก็คือทำให้จิตใจของเรานั้นลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพานเหมือนแม่น้ำที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำเหมือนจิตใจที่ถ้าประกอบด้วยโพธิปักิยธรรมอันใดอันหนึ่งในหัวข้อทั้งเจ็อย่างนี้หรืออันใดอันหนึ่งในหัวข้อย่อย37อย่างนี้จิตของเรานั้นจะมีนิพานเป็นที่แล่นไปสู่ ไปตามทางนี้เลยหรือเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มันเอียงเอียงมันอยู่ริมน้ำแล้วนะนะมันเอียงกระเท่ะจะลงน้ำเลยแต่ยังไม่ตัดนะยังไม่ตกยังไม่หักยังติดอยู่กับต้นมันยู่มีรากอยู่แต่เมื่อไหร่ตัดนี่นะล้มคลื่นมาทางนี้แน่นอนเลยไม่มีทางไปทางอื่นเลยนี่ลักษณะเดียวกันนะวา แนวโน้มมันมาแบบนี้แนวโน้มแบบนี้คือไปสู่การตรัสรู้ธรรมให้ผลอย่างเดียวกันนี่คือการยกตัวอย่างของพระพุทธเจ้าแต่ถ้ายกตัวอย่างในสมัยปัจจุบันเช่นเราบอกว่าอาหารแต่ละอย่างก็กินอิ่มได้เหมือนกันคุณจะกินข้าวกินผักกินหมูกินเนื้อกินนมกินน้ำก็อิ่มได้เหมือนกันนะแต่รายเอียมันต่างกันอยู่เออสิ่งนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกัน แต่ว่าการบรเโภตี่เหมือนกันให้อิ่มเหมือนกันมันก็อะไอก็จแตกต่างกันนะนี่เป็นเชิงซ้อนนี่เป็นเชิงปกติหรือยาแก้ปวดอนะ่ะแก่ปวดก็แก้ปวดได้เหมือนกันแต่ น, นี่มีผลสำหรับอย่างนี้อันนี้ใช้แบบนี้อันนี้ออกฤทธิ์เกี่ยวกับระบบประสาทอันนี้ออกฤทธิ์เกี่ยวกับระบบทางชีวเคมีอย่างหนึ่งมั น, นก็แตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วเหมือนกัน เหมือนกันที่ทําให้จิตของเรานั้นไปสุนิบานแต่รายละเอียดที่แตกต่างกันเข้าจอจงโงมาอินทรี่ห้ปัลห้าเนื้อที่ว่ามันต่างกันนิดเดียวเองเนี่ยมันแยกออกเป็นอินทรี่ห้าปัลห้าเอาแล้วมันนำไปรวมกันเป็นศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเหมือนกันอีกอ่ะนี่เลยตะวังพระบุตรชาติท่านตรายบอกไว้แล้วว่ามันคนขี้สงสัยมันมีทุกสมัยนะ สมัยนั้นก็มีคนไปถามมีคนถามแล้วท่านก็อนบอกอธิบายเปรียบเทียบไว้เหมือนแม่น้ําเลยท่านูฟังแม่น้ำไำหลามาไหลามาเนี่มันมีเกาะกลางแม่น้ำเอาเกาะกลางแม่น้ํามาได้ไงมันก็เป็นสันดอนกลางแม่น้ําที่เกิดขึ้นจากการสะสมของตัวกรตะะ่างๆขึ้นมาแล้วนานปีเข้านานปีเข้าทั้งฝนด้วยอะไรด้วยสะสมกันหรืออาจจะเป็นแก่งหินหรือ ย, อยังไง อามันก็เลยแยกเป็นสองสายทางข้างบนสายหนึ่งข้างล่างสายหนึ่งถ้าแม่น้ําไหลจากตะวันตกมาตะวันออกคือจากซ้ายไปขวาหรือถ้าแม่น้ําไหลจากเหนือลงใต้ไอ้เกาะกลางแม่น้ํามันอยู่ตรงกลางเอาแม่น้ําก็แยกออกเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็ไปรวมกันอีกตรงด้านล่างเฮ้ยมันแยกออกเป็นซ้ายขวาเนี่ย ก็แม่น้ําเหมือนกันไหมเออเหมือนกันอยู่แต่เป็นฝั่งซ้ายซะนั่นเองอีกอันหนึ่งก็เป็นฝั่งขวาแต่เหมือนกันน่ะก็แม่น้ําเดียวกันน่ะแล้วทั้งข้างบนนะอแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่มีเกาะกลางแม่น้ำใช่ไหมล่ะเอาข้างบนนั้นก็เออแม่น้ําเหมือนกันข้างล่างเนี่ยเออก็แม่น้ําเหมือนกันก็นั่นแหละเมืองก่อนนี่ประเทศไทยอ่ะแม่น้ําเจ้าพระยานี่มัน ขุดเคี้ยวรลาะเลี้ยวใช่ไหมล่ะเขาก็เลยไปขุดคลองกันหนึ่งที่จะลัดมาในคลองนี้พอมันลัดมานานวันเข้านานวันเข้ามันกลายเป็นแม่น้ำใหญ่ขึ้นมาเลยเาตรงส่วนที่มันอ้อมไปตรงนั้นมันก็เล็กลงเล็กลงดินดอนมก็มาขึ้นมาขึ้นคนบางทีก็ถมที่ลงมาด้วยก็เลยกลายเป็นคลองเล็กๆธรรมดาเอาส่วนที่ปัจจุบันนี่เป็นเกาะเกร็ดอย่างเงี้ยก็คือคลองบางกาะน้อย น, นี่แหละ ที่ขุดลัดแม่น้าเจ้าประยามาในสมัยก่อนนู่นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานู่นแล้วละ่ะเคยขุดลัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้การขนส่งการเดินเรืออะไรสะดวกมากขึ้นพอเวลาผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีเออมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกรอนนี่ก็แยกออกไปส่วนหนึ่งแม่น้ำนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งขึ้นมาลักษณะที่ มีการแยกออกของสายน้ำตามเกาะกลางที่มีขึ้นหรือคลองที่ขุดใหม่นั้นนี่แหละเป็นอุ ป, ปมาตั้บ่ฟังที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นอธิบายว่าอินทรียกับพลัสนี่ยเป็นโพธิปัขิยธรรมเหมือนกันเนเหมือนกับแม่น้ำไหลามาสายเดียวกันแล้วมีเกาะกลางขึ้นขุดร่องใหม่แยกออกเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็มารวมกันนะ รวมกันเป็นศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเหมือนกันอีกด้วยนะที่ชื่อคนละชื่อเนี่ยเหมือนซ้ายขวาเนี่ยแหละคนละอย่างแต่ว่าก็อันเดียวกันท่านพูดอะไรคนละอย่างแต่วันเดียวกันเอาก็ชื่อเขาบอกอยู่แล้วดูฟังอินรีเนี่ยชื่อเขาบอกอยู่แล้วอินรีย์เนี่ยก็คือความเป็นใหญ่ไงอ๋พละนี่ก็กาลังกําลังก็เป็นใหญ่เหมือนกัน ค, คล้ายๆกันไม่เหมือนกันยังไงอินรีแต่ท่าเคยบอกไว้ว่า ถ้าแก่กล้านี่นะก็จะปรัสรู้เร็วจะบรรลุธรรมได้เร็วในขณะที่พละคือกําลังเป็นลักษณะกําลังที่ให้เราทรงอยู่ทรงตัวให้เราทรงอยู่ในมรรคแปดได้หรือไม่คือคนเราชีวิตปกติมันต้องมีศีลสมาธิปัญญาประกอบพร้อมกันไปเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมที น, นี้พอมีอะไรมากระทบจิตใจแล้ว ไม่ว่าจากการจราจรการงานอาหารการรับประทานพูดง่ายๆคือภาษาตั้งๆหูจมูกลิ้นกายและใจที่มากระตุ้นเนี่ยคุณจะเป๋หลุดออกนอกมากไหมอ่าอยู่ที่พละกำลัง5อย่างนี้คุณแข็งแรงหรือเปล่าในขณะที่อินทรีย์ถ้ามีอะไรมากระตบแล้วคุณจะตัดสรู้ทำได้เร็วหรือช้าอ่านี่อยู่ที่อินทรีย์สัทธาวิริยะสะติสมัมปัญญาเนี่ยคุณแก่ก้าไหม อินซีห้าแก่กล้าไหมถ้าแก่กล้าก็บรรลุทําได้เร็วถ้าอ่อนก็บรรลุทําช้าเอ๊ยหรือบางทีอินซีห้าแก่กล้าแต่พละอ่อนเฮ้ยหมายควา ม, มว่าไงหมายความว่าเวลามีอะไรมากระทบยังไม่บรรลุทำเนี่ยคุณจะบรรลุทําได้เร็วแต่ว่าถ้ามีอะไรมากระทบแล้วคุณอยู่ในมัดแบกคุณอาจจะเปยออกได้ง่ายเอามันอย่างไงก็ได้เหรอได้สิก็ไม่น้ํา เกกลางนี่มันอยู่มุมอยู่ข้างทําไมสายน้ําทางด้านเหนือด้านใต้มันแตกต่างกันอืมก็ปรองตองตรงปราบเอาไงกว่าเอาอย่างหนึ่งมาปรับอย่างหนึ่งช่วยกันได้ตั้มฟังนีน่คือความเหมือนในความต่างอินสีห้ากับปละหา้าซึ่งกับประชาชได้พูดไวล้ละเอียดแล้วตัามฟังในช่วงตอนก่อนๆในช่วงของใต้ร่มบ ท, บทนี่แหละสักประมาณปีที่แล้วนี่มั้ง ปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วได้เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้อิน4 5หและปละหาในที่นี้ยกมาเปรียบเทียบย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเอาส่วนหัวเข้ามาด้วยคือโปติปักจิยธรรมกลับมาในหัวข้อย่อยอันแรกคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานชื่อก็บอกไปแล้วเลยตัาฟัง คือฐานที่ตั้งให้เกิดการระลึกถึงสติปภาวะการระลึกได้การระลึกได้ลักษณะการทํางานของเขาจะไม่ดีนะท่านฟังนะโพธิปัจจียธรรมนี่คือให้ไปสู่นิพพานใช่ไหมลุ่มลาดเอียงเทไปถึงจุดนั้นไอการที่จะไปถึงจุดนั้นได้องค์ประกอบต่างๆนี่เอาลักษณะการออกฤทธิ์ของสติประฐานทำยังไงมันให้เกิดการระลึกถึง ให้เกิดการระอกได้ในขณะที่สมมาประธานนะ่ะชื่อเขาบอกอยู่แล้วมันเป็นความเพี้ยนมันเป็นการเสียสีมันเป็นการขูดกล่ามันเป็นการที่จะต้องปรับมันเป็นการที่จะต้องเปลี่ยนมันเป็นการที่จะต้องแบบฝืนเออมันมันเป็นลักษณะ ง, งั้นสมมาประานะนี่เศรษฐประธานเนี่ยตั้งมันสศรษฐประานเนี่ยต้องแบบมีฐานมีที่ตั้ง มีหลักการมีจุดที่จะบูดภาษาบานเรากันยึดเอาอะถ้าพูดภาษาพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องคือให้เป็นที่ตั้งให้เป็นสารณะสติกับสารณะเนี่ยมาจาก ร, ากร่างสั์คําเดียวกันเลยให้เป็นที่เกาะไงให้เป็นที่เกาะไม่ใช่ที่ยึดนะเกาะกับยึดเนี่ยไม่เหมือนกันยึดนี่คือยึดถือมาเป็นของตัวแต่เกาะนี่เขา หมายถึงเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไปก่อเอาตรงนั้นเช่นเสาอยู่ตรงนี้เออฉันจะเอาเสาเป็นที่พึ่งเป็นศารณะคุณก็ไปหาเสาแต่ว่าถ้าจะยึดเสาเป็นของตนคือตัดเสามาเลยฉันไปไหนเสาต้องไปกับฉันด้วยมู่มองคนละแบบสติปัฏฐานนี่คือลักษณะแบบนี้ให้เราตั้งจิตของเราไว้ที่นั่นให้ไปก่อไว้ราเรียของเขาก็คือมี กายคือการเห็นกายในกายกายเยกายยาลุปัสีวิหรติาการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่หรือจะเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตหรือเห็นธรรมในธรรมใช้กายเวทนาจิตหรือธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งการรู้ถึงเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติ เป็นที่เกาะเป็นที่จับเราก็ยังแยกไปอีกตั้งมาฟังสติประธานสีเอาก็อนุสติสิบใช้ลมหายใจใช้ศีลใช้จาคะใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสติประธานทั้งหมดให้เกิดสติทั้งหมดดูจากแง่มุมของที่เกาะที่จับที่ตัง้งส่วนสมรภูานนี้เป็นลักษณะที่ว่าต้องขุดเก่าต้องพัฒนา ไม่มีต้องทำไม่มีที่มีไม่ดีต้องเอาออกนะมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็เอาได้หมดเอาเช่นถ้าแม่น้ามันจะไหลลงไปเร็วได้เอาพวกตะกอนเศษสิส่งสกปรกผักตบชวาวัชพืชที่พวกนี้ต้องกําจัดออกเอาแต่ว่าอันไหนที่มันจะดีเช่นตะลิง ที่จะกั้นดินไม่ให้ตกลงมาอันนี้ก็ต้องสร้างเพิ่มลักษณ ะ, ละของส ม, มบัติฐานนี่จึงเป็นการที่กำจัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปป้องกันสิ่งที่ไม่ดีในที่นี้หมายถึงอกุศลรธรรมอย่าให้มันเข้ามาสิ่งที่ดีๆในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นได้ให้เข้ามาได้ที่มันมีดีอยู่แล้วเราก็ทาให้มันดีมีมากขึ้น ง่ายๆในที่นี้คือต้องรู้จัแกแยกแยะแจกแจงนในช่วงต่างๆในจุดต่างๆที่แตกต่างกันเช่นว่าแม่น้ํานี่นะในตอนต้นๆของแม่น้ํานช่วงที่อยู่ทางตอนเหนือเหนือลักษณะมันจะไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ไทยๆแต่ตะนบฟังเอาไปแต่ดาวนี่แหละไปแม่น้ําตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปนี่ หรือเอาตรงจุดนักคอนสมันสุโขทัยช่วงช่วงนี้ยลองดูเนี่ยแม่น้ําปิงวังยมน่านเราจะเห็นว่าโอ้โหมั น, ม, นมันตลิ่งนี่มันสูงนะคือมันแม่น้ํามันมาอยู่ลึกลงไปข้างล่างนู้นน่ะเป็นเหมือนเหวอะแล้วก็แม่น้ําไม่ได้กว้างเท่าไหร่ในช่วงบางช่วงนี้สามารถที่จะโหนตัวข้ามไปได้เลยด้วยซ้ําโดยสปานไม่ได้ยาวในขณะที่ถ้าเรามาดูดิ สะพานพระราม8สะพานพระรามเกสะพานพระรามห้าเงี้ยโอ้ยยาวมากเลยแล้วแม่น้ำนี่ก็โอ้กว้างตะลิงนี่นิดเดียวไม่ได้สูงบางทีก้าวไปนี่บางทีตะลิงมันท่วมถนนเลยสามเออเออมันก็แวดล้อมแตกต่างกันต่าคุณสมบัติไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันว่าในบางจุดบางที่เราต้องเพิ่มเราต้องรถ เราต้องรู้จักปรับจะเปลี่ยนท่านจึงให้ข้อนี้เอาไว้ว่ากุศลลธรรมหลักการนะมันต้องเพิ่มพัฒนาจุดนี้พัฒนาข้อนี้จุดนี้พัฒนาข้อนี้อกุศลแธรรมนะต้องระวังนะอย่าให้มันมี ม, มีต้องกําจัดออกแต่วความแตกต่างอันหนึ่งที่กัปปเจ้าได้พูดไว้ก็อย่างเช่นว่าเก็บกดกับอดทนนี่ไม่เหมือนกันเอาในเบือเบ้องต้นเบื้องแรกบางทีเราเก็บกดไปก่อน ถ้ามันยังหลุดๆอยู่อะหลุดๆอยู่ยังแบบยังด่าก็อยู่ยังลงมือลงไม้อยู่เก็บกดไว้เก็บกดไว้เฮ้เก็บกดมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเพราะมันยังมีอกุศรลระดับอยู่ในใจเอาทอํายังไงเอาการรักษาศีลให้ดีเอาเงินทำทใจให้เหมาะสมอย่ากเก็บกดเอากําจัดความเก็บกดออกไปไม่ใช่ไปลงไือลงไม้มันต้องเปลี่ยนสถานนะให้เหมาะสมถูกต้องนี่เลยสมบัติทาน สัมมาประทานก็คือสมัมมาวายามะนั่นเองตมบุฟังสมัมมาวายามะทีนี้มาถึงเราอิทธิบาทสีอิทธิบาทนี่ชื่อเขาบอกอยู่แล้วเลยตมบฟังคือบาทเนี่ยประวัติฐานที่ตั้งแห่งอิทธิจะให้เกิดความสําเร็จจะให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยมันต้องไอ้พวกนี้เลยในระหว่างทางที่เราเดินทางไปสู่นิบัติเนี่ยนะถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้ ว่าคือนิพพานหรืออะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางนี้อันเนี้ยจะทําให้สําเร็จขึ้นมาโดยได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาในกรณี้รับพเจ้าได้พูดรายละเอียดไว้แล้วในตอนก่อนหน้านี้น่าจะสักปีที่แล้วมัง้งหรือว่าไม่ใช่แค่ฉันทะวิริยะจิตต์หรือวิมังสาอย่างใดอย่างหนึ่งใน4อย่างนี้เท่านั้นนะเออมันจะต้องรวมกับสมาธิมันจะต้องรวมกับทำเรื่องปรุงแต่งด้วย ทำเรื่องปรุงแต่งตรงนี้แหละที่ทําให้อิทธิบาทนี่แตกต่างจากธรรมะข้ออื่นๆที่ว่าเราจะตั้งอะไรขึ้นเป็นเป้าหมายก็ได้ไงเช่นเป้าหมายในที่นี้คุณบอกว่าเอาครอบครัวเราจะเลี้ยงครอบครัวอย่างดีเอางั้นคุณต้องมีฉันทาวิทยาจิตตาวิมังสาทําไปด้วยในขณะที่คุณไปสุนิพันธ์เนี่ยได้น ะ, ะถ้าเราจะตั้งทําเครื่องปรุงแต่งให้เป็นยอดขายเฉันก็จะสร้างบริษัทที่มันมีกําไรมีผลประกอบการดีๆ คุณไปสูญนิพพานได้เหมือนกันนะถ้าคุณจรณยาธิบาศสีหรือถ้าฉันจะตั้งทําเครื่องปรุงแต่งว่าฉันก็ทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆของฉันหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าจะรอเกษียณหรือจะอะไรก็ได้นะเลยยิง่งทว่าถ้าตั้งเป็นการบรรลุธรรมเนีย่ย้มันก็ทํานองเดียวกันอยู่แล้วนี้ได้แน่นอนใช่ไหมละ่ะไม่ว่าเราตั้งเป้าอะไรเ่ยด้วยอิธิบาศสีเนี่ยตรงจุดที่เป็นทําเครื่องปรุงแต่งเนี่ย เคุณอาฉันทาวิรยิยะจิตาวิมังสาประกอบกับสมาธิมีประธานกิจตั้งไว้อย่างนี้มันได้จะเอาสิ่งนั้นเนี่ยที่เราตั้งเป็นเป้าหมายไว้เนี่ยแล้วให้เกิดการบรรลุธรรมไปในตัวได้ยังข้พาพเจ้ายืนตำฝังอา่าต้องมาจัดรายการธรรมารับรุ่อย่างเงี้ยอันนี้เ ป, นเป็นเป้าหมายเลยทุกวันเนี่ยฉันจะต้องมานั่งบันดึกเสียงแต่ต่อเตรียมงานค้นหาข้อมูลโอ้ยแล้วแบบทา เราเครียดในการทํางานเราปวดประสาทด่าคนนั้นว่าคนนี้ที่ไม่ได้เรื่องนะนี้คุณทํากุศลหรือทําอกุศลนีไ่ไม่ได้จะไปสูญิพานได้เลยใช่ปะแต่ว่าถ้าตั้งเป้าให้ดีเหมาะสมด้วยอิธิบฐาน4ี่ใช่ไหมเรามีฉันทะวิเดียจิตตาวิมังสาเอาสมาธิมาประกอบการงานนั้นๆเนี่ยเป็นจุดที่จะให้เราบรรลุธรรมได้เลยนะเป็นแบบไม่ได้เสียเปล่านะ่ยแบบว่าเป็นแบบไปทางเดียวกันได้นะ ยังกับเจ้ามีเป้าหมายในการทำ Data m o d เดคือระบบฐานข้อมูลในประตราอยาิดกแบบใหม่ที่จะมาจัดเป็นกระบวนการ knowledge management เนี่ย อ, องนใช้ความรู้ท้งนั้นซอฟต์แวร์ความรู้ทางด้านการปฏิบัติการอะไรต่างๆเอาตั้งเป้าอย่างนี้มันจะสำเร็จได้ไงก็อิทิบาตสิเราทำเครื่องปรุงแต่งตรงนี้มาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราก็ไม่ได้จะตั้งอะไรที่มันยิ่งใหญ่หญโต หรือว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามก็ก็แล้วแต่เราเราก็อยู่ในทางนี้ได้แล้วถ้าไม่ได้ใช้ข้อนี้ก็ไม่เป็นไรงไงจะใช้อินสี่ห้พละห้ามรัก8หรือก็ทําไปตามสบายๆของฉันก็ได้ไม่มีปัญหาเราจะใช้ไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าจะใช้นี่คือหลักการความแตกต่างและเหมือนกันอยู่ในอธิบายสีน่นี้ท่านมาพูดชงเนื่องมาสกุ่พูดไปแล้วนะอินสี่ห้าพละหาใช่ไหม สติประธานสมัประธานอิทธิบาททีนี้จุดที่มันจะมามัดรวมกันนี่มันจะต้องมาเข้ากันแล้วเตอนนี้เราจะเริ่มเห็นธรรมะข้อที่มันซ้ำๆกันในโพชอชงเจ็ดและมาร์กแปดนื้อพ่อชงใจคืออะไรสติสัมพ่อชงธรรมวิจยสัมพ่อชงวิริยสัมพโพ่อชงปีติสัมพ่อชงปัสสธิสัมพ่อชง สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้ดูสิว่า้วิทยาก็มีนะนี่เออสติก็มีแล้วก็ขอก่อนก็เป็นสติอั น, นี้ก็เป็นสติด้วยวิทยะด้วยไอยสมาธิก็มีหนะ้าเหมือนกับอินรี่ห้าเลยพลาหด้วยแล้วก็ยังมีธรรมวิจยะให้มันก็คล้ายๆกันกับเรื่องจิตตะแล้วก็วิมังสานะเนี่ยคือจุดที่ว่ามันเริ่มจะเอามามัดรวมกันแล้วไงทุกผูฟัง แต่ละอย่างละอย่างนี่เอามาร้อยเรียงมัดกันเข้ากันเป็นอันเดียวกันหรือยิ่งเราไปดูมรรคแปดนะะหวางมรรคแปนี่คล่องกันหรือยังเนอได้แก่สีสมาธิปัญญาจําง่ายๆศีนี่ก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะสมาธินี่ก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติส ม, มาส ม, มาธิปัญญานี่ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ เอมันก็มีส่วนของวิทยาก็มีส่วนของสมรภูมิฐานอ๋อสมาสติแกับสติปัฏฐานเฮ้ยมันเหมือ น, มนเหมือนกันเน่ยคล้ายๆกันตัวละนี่แหละคุณฝังที่บัดมันมาเริ่มร้อยเรียงเข้ากันมัดกันเข้าเป็นเส้นทางเป็นสายเดียวกันรวมกันก็มาเรามาดูพ่อชงที่ว่าองค์ทําป็นการตรัสรูธ้ธรรมสติสำโพชงก็คือสติปาญสี พอมีสติแล้วการที่จิตก็มันจะแบบไปหาสิ่งนั้นหลีกนี้สิ่งนี้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันจะไม่ค่อยมีแล้ก็จะเริ่มแบบอยู่กลางๆมาตามทางให้เห็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นประโยชน์เออนั่นเป็นการใกล้กุลนรรมเป็นธรรมวิจยะเป็นธรรมวิจยะมันก็เป็นการทำความเพี่ยงไปในตัวจิตก็สงบระ ง, งับลงไปเป็นประสาทีมีความ อิ่มเอบใจความสบายใจเป็นปีติก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิด้วยเวลามีอะไรมากระทบกอดวางเฉยได้ก็เป็นอุเบกขาแต่เราจะตรวจสอบคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ได้จากคุณสมบัติของหัวข้อย่อยในธรรมานั้นๆว่าเออเรามาถูกทางไหมให้สิ่งที่เราทำนั้นเป็นฝัก่ายการตรัสรู้หรือไม่แล้วในทางทั้งหลายตัวฝังที่เดินกันมานี่นะ พระรปริชาญเปรียบเทียบไว้ให้ท่านพระสารีบุตรฟังเปรียบเหมือนรอยเท้าว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะจะไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่มีรอยเท้าใหญ่เกินรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างเนี่ยใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนะไม่ได้พูดถึงไหนดีแต่ว่ามีไดโนเสาร์ประเภทต่างๆไหมเอาปัจจุบันเนี่ยก็คือช้าง จะรอยเท้าเสือรอยเท้ามดรอยเท้าแมลงรอยเท้าลิงรอยเท้าสุนะัขก็จะไม่ใหญ่เกินรอยเท้าช้างธรรมะทั้งหมดสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีปัลละโอชงอยู่ในมังแปเนี้ยหมดเลยมังแปนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญาญาได้เป็นสามก่อเพราะฉะนั้นต่มาฟังเวลาที่เราศึกษาทําความเข้าใจ โพธิปักิยธรรมตัมบงมีเจ็ดหัวข้อย่อยมีรายละเอียดทั้งหมดสสิเจ็ดอย่างเป็นธรรมะที่จะนำพาจิตของเราให้ไปสู่นิพพานได้รายละเอียดนั้นมีความแตกต่างกันตามที่ได้ว่าไปแล้วแต่ละข้อหัวข้อธรรมะนั้นที่เป็นหัวข้อย่อยเนี่ยพระพุทเาเคยพูดละเอียดไว้ในตอนก่อนๆถ่าเราไปฟังสนใจศึกษา โครงการจะรู้เพิ่มเติมก็ไปหาฟังกันได้ในวันนี้พูดโดยเอาแต่ละข้อละข้อว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงต่างกันยังไงให้เห็นแง่มุมใหม่ๆที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นรู้ว่าโอ้ทั้งหมดมันมาอยู่รวมกันตรงนี้อยู่ที่จิตของเราให้เกิดการปฏิบัติให้เกิดการทำให้เกิดการตรัสรู้ธรรมนั่นเองสมฟัง และนี่คือช่วงของใต้ร่มพริบทีที่พระเจ้าจะยกนำหัวข้อธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้ยกนำขึ้นมาพูดคุยอภิปรายดึงประสูต์นั่นข้อมูลนี้มีการยกอุปมาอุปไมยดูนำการไปใช้งานได้อย่างไรหมายรามฝั่งฟัง ในตุ้วันพุธตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์โดยเสิร์ชจากเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ได้ทตูฝั่งพิปัญญา .orgpanya Org. รายการนี้นำเสนอโดยมูนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหายบูรณ์อาภีปุณโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จรินทร